มีสองอย่างอ่ะรีบในสิ่งที่ควรรีบช้าในสิ่งที่ควรช้า mm hmm. นะ ก, าการบริโภคการรมเนี่ยควรช้าๆก็ไม่เป็นไรช้าอีกหน่อยก็ไม่เป็นไร mm hmm. แต่ถ้าหากว่าการเจริญกุศลธรรมอันนี้รีบหน่อยอันนี้ดีนั่นแหละอันนี้นในหน้า21กล่าวถึงวินิจฉัยลักษณะของปานตาิบาตโดยอาการ6อย่าง ซึ่งปาณาติบาตนั้นโดยสภาวะหรือโดยสภาพของเขาได้แก่เจตนาเจตสิกนะเจตนาที่คิดฆ่าโดยอารมณ์ของปานาติบาตนั้นมีชีวิตติณสีเป็นอารมณ์เวทนาในขณะที่ทําปานาติบาตเป็นทุกขเวทนาก็คือโทสะนั่นเองอั้นจิตที่ฆ่านั้นจะต้องเป็นจิตชนิดโทสะนะอันฆาดขณะฆ่าไม่ใช่โลภะขณะฆ่า ไม่ใช่โมหะมูลจิตไม่ใช่โลภะมูลจิตแต่โลภะมูลจิตเป็นอุปนิสัยให้ฆ่าได้โมหะมูลจิตเป็นอุปนิสัยให้ฆ่าได้แต่ในขณะฆ่าสภาพจิตขณะนั้นเป็นโทสะอย่างเดียวนะทีนี้มูลแห่งการฆ่าปาณาติบาตมีมูลสองนะรากเงาแห่งความชิดในขณะฆ่า มี2คือโลภะเอ่อโทสะมูลกับโมหะมูลในขณะนั้นเนี่ยเหตุตปัจจัยของของปานาติบาตได้แก่โทสะกับโมหะใช่ที่จริงลักษณะวิเคราะห์แบบนี้นะถ้าผู้ที่เรียนปัจจัยมาสบายเลยใช่อ น, นะเป็นการพูดถึงสัมปยุตอ่าสัมปยุตธรรมหรือสหาชาตชาตินะโดยสภาวะนั้นของปานาติบาตได้แก่เจตนาใช่เท่ากับเรียน นา น, ขาขนักขาดคณิกกรรมะแต่ว่าล็อกเวทนานี้เป็นตัวล็อกว่าไม่ใช่ไม่ใช่จิตดวงอื่นนะหมายถึงโทสะอย่างเดียวนั้นก็คือเรียนสหาชาตชาติอารามณชาติเสร็จแล้วโดยกรรมกรรมของปานาติบาตเป็นกายกรรมตัวกรรมเป็นกายกรรมแต่ทวารแห่งการฆ่ามีอยู่ มีเท่าไรมีสองคือกายกับวจีนะกายกับวจีเนี่ยนะคือทวารแห่งการฆ่าในหน้าหน้า19เนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ว่าเอ้ยท่านเอามาจากไหนก็คือหน้า19นั่นเองกล่าวถึงเห็นหมกายยะวจีทวารา น, นังตรงนั้นแหละเป็นตัวล็อกว่าปานาติบาตนั้นล่วงมาทางกายยะทวารและวจีทวาร ทางวจีทวาเนี่ยนอกจากจะสั่งให้เขาไปฆ่าแล้วเนี่ยยังจะมีวิธีไหนบัางครับที่ฆ่าด้วยวาจาเนี่ยครับก็พูดให้เขาช็อกตายอย่างเงี้ยใช่ไหมพู ด, พ, ดพูดให้เขาช้าใจตายไงครับอ่าประเภทนั้นก็ได้คือถ้าเรารู้ว่าเราพูดคํานี้ปั๊บเนี่ยเขาต้องตายเนี่ยเราพูดคํำนี้ใช่ไหมเพื่อให้เขาตายประสงค์ให้ตายโดยเฉพาะผู้หญิงทําได้ง่ายปฏิเสธคําเดียวไปผูกคอตายเลยผู้ชายเรื่องนี้ฟังไม่เข้าใจ บวดมานาแล้วใครรู้เรื่องเขาทีนี้ต่อไปนะว่าผลของปานาฏิบัติผลอันนี้ก็คือผลที่ทุกคนไม่ปรารถนานะแต่ก็เหตุทำไมแล้วทำไงได้โดยผลนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนมนบน่ข้อความในจุลกัมมวิพังกสูตรนะว่าดูก่อนมนบ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทมชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเฮี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอนดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานเอาไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นนะผลของเขาตรงๆงเลยเนี่ยนะคือให้ไปสู่อบายเสร็ศษก็คือเป็นอุปคาตกรรมเป็นกรรมที่มาตัดรอนชีวิตนะให้อายุสั้นบางคนเนี่ยนะปฏิสนที่ได้อาทิตย์เดียวก็จุติแล้ว บางคนก็ปฏิสนธิได้เดือนสองเดือน3มเดือน4เดือนอนนะก็จุติแล้วบางคนก็กาลังคลอดก็จุติและบางคนก็ปีสองปีสมปีสี ป, ปีบางคนก็หลายปีหน่อยอ น, นะนส่วนใหญ่ที่อายุสั้นนี้ก็เป็นเศษของปานาติบาสมมติถ้าหากว่าไปด่าใครสักคนหนึ่งแล้วถูกฆ่าตายเนี่ยน ะ, ะบางคนก็บอกว่าไอ้ที่ตายนี่ตายเพราปะปาก อันนี้คือเหตุใกล้นะประโยคะวิบัตในขณะที่ไปพูดไม่ดีเช่นไปด่าด่านักเลงหัวไม้เป็นต้นใช่ไหมอ่าเขาก็เลยฆ่าทิ้งเลยอ่าคำพูดอันนั้นเนี่ยเป็นประโยคะวิบัตแต่ทำไมคนอื่นเขาก็พูดคำเดียวกันทำไมเขาไม่ตายอ่ะนะเพราะกรรมประเภทอายุสั้นเขาไม่มีในคำคำเดียวนั้นเนี่ยนะบางคนฟังแล้วโกรธกรดบางคนฟังแล้วก็เฉยเฉย พูดกับบางคนเองนะคำพูดเนี่ยโอ้บางคนฟังอพูดดีนะอีกคนฟังเนี่ยหน้าดำหน้าแดงนั่นแหละดังในเรื่องของคําพูดนั้นบางคนเนี่ยที่มีอุปนิสัยแห่งแห่งปานปฏิบัติที่เคยทําไวในอดีตจะทําให้คิดสั้นน ะ, อ, ะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยนะพอพออายุมามากๆหน่อยปั๊บเนี่ยมันจะคิดฆ่าตัวตายใครว่าอะไรนี่นี่หน่อยๆปั๊บเนี่ย ค, คิดคิดฆ่าตัวตาย แต่แสดงว่าอุปนิสัยประเภทปานาติบาทมันให้ผล เ, เพราะว่าจิตคิดค่าค่าคนอื่นเนี่ยมีใช่ไหมทั้นความคิดในแนวนี้มันกลับย้อนเข้ามาหาตัวเองนด้ทั้นอย่างในตติยะปราชิกกล่าวถึงพระภิกษุที่ท่านเจริญกรรมฐานท่านเจริญกรรมฐานแล้วท่านพอเจริญอาการ32มสองมากๆเนี่ยนะอุปนิสัยเก่าที่ท่านเคยเกิดเป็นในพราน มาทำให้ท่านคิดฆ่าตัวตายะนะเสร็จแล้วท่านก็เอาบาดจีวอนเนี่ยไปจ้างคนคนหนึ่งให้ฆ่านะถ้าหากว่าเธอฆ่าฉันเสร็จเอาบาดเอาจีวอนไปะนะสมัยก่อนก็มีรับจ้างนะเอาบาดเอาจีวอนเพื่อรับจ้างฆ่าสมัยโน้นโจรกระจากันกนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบาดพวกบาดพวกจีวอนเนี่ยเป็นของที่หายากมากะนะแล้วก็ทำไมพระพระภิสุเหล่านั้นจึงยินดีในการตาย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 หมกมุ่นในการประหัดประหารไม่เอนดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตอ น, นะฟังบอกคนโหดเหี้ยมเนี่ยนะเราฟังเหมือนกับเหมือนกับพระองค์พลิมานสมัยที่ยังไม่บวชหรือเปล่าบอกเห็นปลาแล้วก็ทุบหัวแหละเหี้ยมและขณะนั้นนะ่ะนะยุงมากัดแล้วตบเพี้ยเข้าไปนะสภาพจิตในขณนะนั้นก็ถือว่าเหี้ยมโหดแล้วเพียงแต่ว่าบางคนสีหน้าไม่ดุท่านเองกุศลบางอย่างมาให้ผลเป็นเแต่ว่าสีหน้าหน้าชมอ่ะนะ แต่ว่าถ้าสภาพจิตในขณะ ท, ที่ดุร้ายเป็นโทสะในขณะนั้นนี่นนจริงจริงอะจิตไม่น่าชมแล้วและจิตชนิดนั้นถ้ามันให้ผลน่โอ้โหน่ากลัวที่สุดเลยนะถ้าหากว่าปานาติบาตทำชั่วในพระขีณาศพเนี่ยถึงขั้นปานาติบาตมีโทษมากถึงกับเป็นอนันตริยกรรมอันคนที่เราไปฆ่าเนี่ยแล้วแต่เราจะฆ่าใครถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ นวพวกนี้นี่เป็นอนันตรียกรรมมีโทษมากคำว่าอนันตรียกรรมก็คืออนันตระแปลว่าไม่มีระว่างกรรมที่ให้ผลไม่มีระว่างน แ, แต่ว่าไม่ใช่ทางดีะนะเพราตายแล้วไม่ต้องไปพบอื่นเลยไม่มีพบอื่นมาขั้นเลยปฏิสนธิในนระกแน่นอนแต่ถ้าสมาธิบางอย่างนะสมาธิมานันตริกัรยามาหุนะสมาธิบางอย่างให้ผล ไม่มีระหว่างขั้นสมาธิอันนี้ได้แก่มัคคะสมาธิอริยมัคคสมาธิเนี่ยนะให้ผลไม่มีระหว่างขั้นนะมัคคจิตนี่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นที่เคยได้ยินสำนวนนะว่าอากาลิโกอากาลิโกแต่ว่าไอกรรมทีใ่ในฝ่ายชั่วนี่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นเนี่ยไม่ใช่ทําปุ๊บให้ปั๊บเลยแต่ว่านานเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเจ็วันเถึงจะถูกฆ่าคืน นะบางคนเนี่ยฆ่าพระอารหันต์เนี่ยบางทีก็ภายในเจ็ดวันเขาก็เรียกคืนนะนะจับได้ภายในเจดวันอย่างเช่นกลุ่มโจรที่ไปฆ่ า, า, านะพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนะท่านก็ก็ถูกฆ่านะพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกฆ่าชาติสุดท้ายเนี่ยถูกฆ่าอยู่เกือบร้อยชาตนะิกำที่ไปฆ่าอดีตชาติเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้คือคือครั้งหนึ่งเนี่ย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 พอไปนานๆเข้าก็ลืมลืมพ่อลืมแม่ก็ชอบภรรยามากกว่าแล้วทีนี้พออยู่กับภรรยานานๆเข้าภรรยาเนี่ยมาถึงก็ที่แรกก็ปรนนิบัติพ่อแม่ดีนะช่วยปรนนิบัติพ่อแม่สามีดีทีนี้ตอนล่างหลังก็ราําคาญเรอยู่กับคนสูงอายุอนะนะอายุระเวศกับกุมาระเวศเอาอันไหน <c oughs> หมอเด็กกับหมอผู้ใหญ่เอาไหน <c oughs> <c oughs> เอากุมารเนาะน no? ะ <c oughs>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 ก็แทบจะอ้อนวอนลูกเอ้ยมาเยี่ยมแม่บ้างเถอะนะ mm hmm. บอกยังไม่ว่างเลยแม่คล้ายๆแบบนั้นนะกำพร้ากันกำพร้าลูกกัน mm hmm. ทีนี้พออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยภรรยาก็ยุโยงให้ฆ่าฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อแม่สามีเนี่ยแัแรกๆก็ไม่เชื่อนะพอไปนานๆเข้ายุบ่อยๆเข้าก็เลยวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ชวนไปเที่ยวบ้านญาติอย่างนั้นพ่อแม่ญาติบ้านโน้นก็อยากเห็นพ่อแม่พ่อแม่ใตาบอดทั้งคู่ ก็เลยพาไปพาไปในระหว่างทางก็บอกพ่อแม่พ่อแม่แถวนี้โจรเยอะนะพวกนั้นวางแผนหลอกพ่อหลอกแม่โจรเยอะพันพ่อแม่ถือเชือกไว้นะเดี๋ยวผมจะไปเดินสกัดดูโจรมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วอตัวเองนั่นแหละปลอมเป็นโจรมาเลย <c oughs> ทําเสียงใหม่เป็นเสียงโจรมาก็ถึงทุกพ่อทุกแม่บนเกวียนนั่นแหละ <c oughs> พ่อแม่เนี่ยจะก็บอกว่าลูกเอ้ยหนีไปพ่อแม่แก่แล้วตายช่างมันเถอะนะ โจนก็ยังลูกนั้นก็ยังเหี้มโหดนะนะก็ฆ่าฆ่าพอ่อฆ่าแม่กรรมอนั้นท่านก็ตกนรกแล้วก็ถูกนะพออายุมากๆก็ถูกฆ่าอย่างนี้มาละชาดด้วยกันมาชาติสุดท้ายแม้แต่เป็นพระอัครสา ว, วกฝ่ายซ้ายท่านก็ยังถูกฆ่านะเขบอกว่าโจนเนี่ยทุกท่านละเอียดจนกระดูกเนี่ยหักเหมือนกับเข้าสารแต่ก็ยังไม่ตายท่านก็ประสานกระดูกไปเข้าฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วจึงจะดับขันไปนิพพาน อันไหันกรรมมันให้ผลแล้วทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็บอกอ้พระโมคคัลลานะเนี่ยปริจนนีพานไม่สมเลยเขาว่าไงพระพุทธเจ้าบอกสมนะ้สมกับกรรมอ่ะนะแกว่าดูในตอนนี้ดูเหมือนไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองกรรมในะอดีตไกลๆนู่นยุติธรรมมากว่าไงนะพระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรลพระองค์ก็บอกมันก็ยุติธรรมแล้วนะตามหลักกรรมอ่ะพอพระองค์ยังปวดศรีราะเลยใช่ไหม ทำมันไม่เลี้ยงใครหรอกมันไม่นับถือใครนะถ้าเจตนาเหล่านั้นไม่บัรเคยมีในเรื่องหนึ่งมีอุบาศกคนหนึ่งมาฟังธรรมฟังธรรมทั้งคืนกลับไปเนี่ยถูกพระราชาไปตัดหัวเลยนะเราก็บอกเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมนี่อย่างงี้ใช่ก็บอกว่าอุบาศกคนนี้เนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นคนรับส่งคนเนี่ยข้ามป่านะคือในป่าเนี่ยมีโจนชุมพระราชาก็แต่งตั้งให้คนนี้เนี่ยเป็นทหารเนี่ย ไปคอยคุมคนข้ามป่าทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็มีมีสามีภรรยานหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ย น, นะมาก็ช่วงบ่ายๆหน่อยแล้วจะข้ามป่าอ น, นะเจ้าหน้าที่นี่ก็นะเห็นเมียเขางามอะ่ะก็เลยเอ๊ะทํายังไงจะเอาเมียเขาเนี่ก็วางแผนว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปก็แล้วกันค่อยข้ามดงวันนี้มันเย็นแล้ข้ามคงไม่ทนัทานหรอกทันนะเชือไปทีนี้ก็ยังไงก็ไม่ไป ตกคืนนั้นก็วางแผนแล้วก็ให้คนนี้เอาแก้วเอาแหวนเนี่ยไปซ่อนเอาไว้แล้วก็วางแผนทําเป็นหาแก้วหาแหวนเสร็จก็ไปเจอในห้องเสร็จแล้วก็ฆ่าผัวเขาทิ้งอย่างนีนโทษกรรมอันนั้นเนี่ยก็ให้ผลไปสู่อบายพอชาติหลังมาฟังธรรมทั้งคืนกลับบ้านถูกเอาไปตัดคอเลยนะนะก็บอกว่าถ้าเหตุใกล้ๆกนี่เราก็บอกมันมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมฟังธรรมทั้งคืนให้ผลตกให้ผลไปไปถูกตัดคอ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 วจีกรรมอย่างไรจึงจะเป็นศีลศิกขามโนกรรมอย่างไรจึงจะเป็นจิตตะศิขาและปัญญาศิกขาอั้นพยายามศึกษาศิกขาสามในศาสนานี้เถอะจนองคุลิมานย่างค้นทุกได้เลยนะของเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่พ้นก็ให้รู้ไปใช่ไหมถ้ามีศรัทธานะแต่ถ้าไม่นะมีศรัทธากนะ็อย่างว่าคงไม่พ้นแน่ขอให้มีศรัทธาในะอย่าง น, น้อยที่สุดขอให้มีศรัทธานในศิกขา คำสอนเหล่านั้นว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นนิยานิกระทั่เป็นคำสอนที่ช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ก, ก็จริงแต่ไม่ได้สอนให้เจริญทุกข์แต่ให้สอนเจริญอริยมรรคอริยมรรคมีทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีนะพระองค์สอนเรื่องทุกข์จริงอยู่แต่สอนให้ทุกขควรกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามนะ สมุทัยซึ่งเป็นรากเง่าแห่งทุกเนี่ยสอนให้ละโดยประการทั้งปวงดันั้นการละก็ละได้ได้หลายระดับด้วยกันละด้วยอะไรบ้างละชัน้นต้นก็คือวิคัมธนประหารตะทางค่าประหารจนถึงละด้วยสมุเทเชทประหารการทําให้แจ้งคือนิโรธนะดันั้นต้องทําให้แจ้งทุกข์กับสมุทัยมากเท่าไหร่นะทำให้แจ้งจนถึงที่สุดนั่นแหละจนถึงความไม่เป็นปลายแห่ง สมุททยและทุกเชื่อว่านิโรธอริยมรกมีองค์แปดนั้นก็ควรเจริญพอกพูนอันผู้ที่ตรัสรู้อริยศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันปึ๊บกรรมเหล่านี้นะกรรมที่ให้ผลไปในอบายเนี่ยนะไม่ให้ผลอีกเลยเจตนาชวณะที่จะให้ผลไปเกิดในอบายนะถึงเคยทำมาในอดีตขนาดไหนก็าตามกรรมเหล่านั้นจะไม่ให้ผลเกิดในอบายอีกเลยนะ อบายภูมิเนี่ยถูกปิดแล้วอันอนารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระดับพระโสดาบันเนี่ยนะตัดพบในอบายได้แล้วก็ตัดพบที่แปดเป็นต้นได้ดะงนั้นเขาจึงเรียกว่าําไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมอันที่เหลือเนี่ยจะให้แต่กุศลให้ผลอย่างเดียวบาปจะไม่ให้บาปที่ที่นําปฏิสนธิจะไม่ให้ผลอีกแล้วการที่เรา ศึกษาธรรมะอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยถือว่าเรากําลังเจริญอริยมรรคได้ไหมครับเกิดในขณนะเดียวกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายนะเพื่อมาฟังธรรมเนี่ยก็มีจุด<อ>มุ่งหมายอยู่เพราก็เพิ่มภูมิสมารถีอยู่นี่ครับเจนพรก็เพิ่มภูมสมารถีอยู่ถ้าเป็นลักษณะของนิสรณปริยัติก็ใช่เจนพร อ, อันนะี้ว่าเป็นการศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อเพื่อความพ้นทุกข์นะเนี่ยก็ถือว่าใช่เลยนะ ทีนี้ต่อไปอีกนะว่าพอ พ, พะพโมคลานะเนี่ยถูกฆ่าอย่างนี้แล้วโจนก็ก็ถูกฆ่าคืนนะตอนหลังพระราชาก็สืบได้ว่าโจนกลุ่มนี้ไปฆ่าเมื่อฆ่าเสร็จโจนกลุ่มนั้นก็ถูกพระราชาเนี่ยฆ่าหมดเปี้ยนเลยสั่งฆ่าพระราชาเนี่ยงทีก็สวยเหมือนกันนะผู้รักษาโลกนะใครเคยฟังพระเตมีใบมั่งเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปี ตกนรกเท่าไหร่แปดหมืนปีเองตกนรกแค่แปด0มื่นปีนะโอ้เป็นพระราชาตั้งยี่สิบปีเลยอ่อเอาป่ะเดวแหละไม่ใช่พระเตมีใบอสังฆาเนี่ยจำที่มาไม่ได้ว่าเรื่องเกิดที่เมืองไหนกระสัเมือ ง, นะงนั้นแหละ เจรพรพระโมคลลานะถูกฆ่าเนี่ยจําไม่ได้ว่าเมืองไหนนะกษัตริย์เมืองนั้นแหละสั่งฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูนี่ก็สั่งฆ่าไม่ใช่น้อ ย, อยหมากกันพระเจ้าประเสริฐ น, นี่ก็ไม่เบานะพระเจ้าประเสริฐเนี่ยโหสวยจริงๆเลนั้นคนที่กุศลวิบากให้ผลเกิดในตระกูลสูงมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้ว ที่จะไม่เอาความเป็นใหญ่เป็นโตเหล่านั้นมาทำบาปทอาอกุศลเนี่ยมีน้อยนนะมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาความเป็นใหญ่เป็นโตนั้นเนี่ยมาณะก็เพิ่มพูนบาปอากุศลธรธรมก็เพิ่มพูนมากขึ้นนั้นผลของบุญขนาดให้ไปเกิดในตระกูลสูงแล้วก็ยังมีมีส่วนอื่นๆ น, นะกิเลส<ม>เก่าๆซึ่งเป็นบาปอากุศลที่มีอุปนิสัย ที่สะสมไว้ในปางก่อนนี่ก็อุปนิสัยเหล่านั้นได้ปัจจัยพร้อมมันก็เกิดทันทีเลยมาณะ น, นี้ถ้ายังไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยนี่อย่าคิดว่ามันไม่มีมันยังไม่ได้ปัจจัยเฉยเฉยฉะนั้นความคิดทุกๆความคิดก็เหมือนกันถ้าได้ปัจจัยปั้บความคิดนั้นๆจะเกิดขึ้นแม้แต่ความคิดที่ดีๆนะคือเรียกว่ากุศลความคิดที่เป็นกุศลนั้นถ้าได้ปัจจัยพร้อมกุศลจิตก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้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 ท่านยอมถูกตายท่านท่านยอมตายเพราะว่าท่านเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องกรรมมากนะศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่แม้แต่อยู่ในภพใดก็ตามศีลของท่านนะศีลห้าของท่านไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่วินยูชนสารเสรินอันพระโสดาบันนี่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยด้วยศีลส่วนพระนาคามีนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิยังไงฌานท่านไม่เสริมแน่นอนพระนาคามีเนี่ยฌานไม่เสริม นะไม่มีกิเลสอะไรที่เป็นเหตุให้ชานท่านเสื่อมได้ส่วนผ้าอาหารเนี่ยไม่มีเสื่อมแักอย่างเลยเป็นที่เรียกว่าตาทีโนเป็นผู้คงที่ในที่ทุกสถานไม่ฟูไม่ยุบนะฮะไม่ฟูขึ้นไม่ยุบลงมั่นคงตลอดกาลัอนะนะหลังจากที่ถูกสังฆ่าแล้วนะเรื่องราวก็ถึงพระผู้มีพระภาค พ, พ อ, องก็เลยแสดงธรรมว่า ผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาจยาโดยด้วยอาจยาย่อมถึงฐานะสิบนะอย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียวว่างง้นถ้าว่าไปทำกับคนมีคุณมากบาปมันจะให้ผลทันทีเลยสิบอย่างอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งถึงเวทนากล้าสองความเสื่อมทรัพย์นะไปฆ่าคนที่มีคุณธรรมบางทีถูกก็ฟ้องร้องเสียหายทรัพย์สินเลยนะ หรือว่าความสลายแห่งสรีระนะร่างกายก็ถูกเาทุบเขาตีหรืออาพาธหนักนะทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือห้าความฟุ้งซ่านแห่งจิตนะไปทำคนดีจริงๆก็จิตฟุ้งซ่านเหมือนกันหความขัดข้องแต่พระราชานะคนเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วก็เจ็ดถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงนะเรื่องไม่ควรจะเป็นก็เป็นได้ 8. ความย่อหยับแห่งเครือญาติเกวความเสียหายแห่งโภคะทรัพย์สินเสียหายแลวก็สบนะสุดท้ายก็คือไฟป่าย่อมไม่เรือนของเขาผู้มีปัญญาสามเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกนะเหมือนกับเจ้าวิธูตภะเนี่ยวิทูตภะเนี่ยพอฆ่าสักยะเสร็จฆ่าเรียกว่าฆ่าเกือบล้างบางเลยนะ ใครที่พูดว่าตัวเองเป็นสักยะเนี่ยเจ้าวิธูตภะเนี่ยสังฆ่าหมดเกลี้ยงั้นหลังจากนั้นเนี่ยวิธูตภะเนี่ยพอชนะแล้วนะเอาเลือดของสักยะเนี่ยไปล้างล้างตังที่ที่สักยะเคยดูถูกถึงกับว่าสมัยที่ไปนั่งนี่เอาน้านมมาล้างเนี่ยนะก็ไปฆ่าเอาเลือดในลําคอของสักยะเนี่ยมาล้างตังที่นั่งเนี่ยเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะก็มาที่แม่น้าําคงคามาที่แม่น้ําแล้วก็นอนตกคืนนั้นเนี่ยน้ำป่าก็บ่า พ่วง ม, มาอะนะพวกที่มีใจโหดเทียมเนี่ยตายในทะเลเกลี้ยงหมดนะทีนี้ส่วนใหญ่ก็ฆ่าพระอริยะศนะักยะตอนนั้นเนี่ยเป็นพระอริยะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นศักยะนี่ก็รับผลของกรรมเก่าไปที่อดีตชาติเคยไปเบื่อปลาเอาไว้นะส่วนเจ้าวิทูธะพระก็ทํากรรมใหม่แล้วก็ทํากับคนมีศีลด้วยทีนี้เมื่อไหร่โอกาสที่จะได้กลับมาเป็น มนุษย์คืนหรือว่ามาเป็นเป็นมนุษย์ถึงกับรู้เดียงสาสา ม, มารถที่จะศึกษาพระธรรมสา ม, มารถที่จะมีความรู้เรื่องอริยสัจยกตนให้พ้นจากสังสารทุกข์เนี่ยเมื่อไรเนาะนะนับไป็ น, นรกเนี่ยอย่าไปนับเป็นปีๆเลยคือปีเราเนี่ยมันพูดยากกันก็บอกว่ามีนรกอย่างเช่นในโลหากุมพีนรกนะก็เหมือนกับเราต้มต้มข้าวนะต้ม อ, อะไรนะ้วมันลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างเนี่ย จากข้างบนลอยก็เรียกว่าจมลงเนี่ยสามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกสามหมืนปีโผล่กันมาพูดกันคนละคำมาทุสะนะโสงงันนั่นได้ยินไหนัน่นแหละพูดได้คนละคำนั้นนั่นเองแล้วก็จมลงไปอีกจมลงมอีกสามหมื่นเนี่ยแล้วโผล่มาอีกนี่ไม่ต้องถามหาที่สุดว่ามั น, มนเมื่อไหร่นั่นแหละเจ้าเจ้าวิทูสัตถปะนีเจ้าวิทูถะ เ จ, จ้าวิทูทาพานี่ก็เป็นลูกพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นลูกของพระเจ้าประสเสนที่โกศลเจ้นะแสดงว่ามานณะแรงมากใช่ไหมครับเจ้านะก็คือถูกเหยียดยามอย่างร้ายแรงนะก็คือตอนที่ไปที่เมืองก บ, บิลพัฒน์เนี่ยจะไปไหว้ตาจะไปกราบพระเจ้าตานะไปก็ตัวเองเนี่ยไปไหว้หมดเลยทีนี้ว่าไอ้คนอายุน้อยที่สุดเนี่ยสักยะเนี่ยคัดเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าเจ้าวิทูทพานให้ไปอยู่ที่อื่นหมดเพื่อที่จะไม่ให้สักยะไหว้เจ้าวิทูทพาน กว่ามี m a n ะเพราะว่าสักยะนี้ก็ทํากับเจ้าวิทูตภะเกินเหตุเหมือนกันนะทําเกินเหตุเกินไปเหมือนกันมา n ะมันมากอ่ะนะทีนี้เจ้าวิทูตภะนี่ก็ได้เลือดเนื้อเชื้อไขามาก็เลยมา n ะอีกนั่นแหละฆ่าสักยะเกือบเปลี้ยงเนื้อนี่นี่เป็นตัวอย่างของของประโยคนข้าววิบัติอย่างแรงเนื้อเกิดมาเป็นกษัตริย์นี่ก็ มีบุญนักหนาอยู่แล้วนะจึ ง, จงได้เกิดามาเป็นกษัตริย์มหาศาลนี่แต่ว่าเหตุเก่านี้บุญประเภทอ่อนน้อมอะบุญประเภทอ่อนน้อมเนี่ยทาให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้พอเกิดในตระกูลสูงปั๊บกิเลสมันก็ได้ช่องอพูดเหมือนกับที่เขาเรียกว่าเหมือนกับไปหาเสียงหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนหาเสียงเนี่ยเดินติดดินไหวกันทุกคนนั่นแหละพอเป็นแล้วก็อีกคนละเรื่องแล้วนะ ค, คนละคนละตอนกัน นันนนเวลาทำกุศลก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอ่อนน้อมดีพอกุศลมันให้ผลเสร็จแล้วก็ก็ลืมไปนนะคือเป็นตัวอย่างของอประโยค้าสมบัตอิอย่างดีเลยถ้าหากว่าเขาไม่ทำอย่างนี้นะเขาจะเป็นกษัตริย์ไปอีกนา น, นเขาจะเป็นกษัตริย์ไปยิ่งใหญ่มากเลยไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติแวดกุศลนี่แสดงว่าประโยคาวิบัติมากๆเลยและอย่างหนึ่งนะ สักยะนี่มีมานะมากแม้กระทั่งวันที่พระองค์เนี่ยเสด็จกลับเมืองกบิลพัทเนี่ยพอเป็นพระพุทธเจ้าจะกลับเมืองกบิลพัทเนี่ยนะสักยะเนี่ยวางแผนต้อนรับพระพุทธเจ้านะให้พวกหนุ่มๆเด็กๆเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามาแก่ๆอยู่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้วางแผนหมดนี้พระองค์ก็พิจารณาดูโอ้โหสักยะเนี่ย mana ขนาดนี้เลยเหรอมองก็เลยต้องเหาะไงแสดงยมกปาติหาริเหมือนกับโปรยทุลีเนี่ยลงบนศีรษะให้สักยะเนี่ยได้ไหว้อะ เสร็จแล้วพระองค์ก็เกิดฝนตกลงมาก็แสดงมหาเวสสันดรชาดก น, นะว่าฝนแบบนี้เคยตกแล้วงั้นดังนั้นกลุ่มที่สะสมอัธยาศัยแบบนั้นมาก็โน้มเอียงที่จะมีม า, น, านะนะแต่ในอดีตชาติเนี่ยสมัยเกิดเป็นคนเบื่อปลาทำมาหากินอย่างนั้นแสดงก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์มาตลอดดังในจิตตสัมภูตชาดกเนี่ยกล่าวถึงพระโพธิสัตว์นะสมัยที่เกิดเป็นจันทาร พระโพธิสัตว์นี่เกิดเป็นจันทานพอเรียนศิละปะของนักจันทานเสร็จก็มาแสดงนะแสดงเพื่อให้คนชมเพื่อที่จะเก็บบาทสองบาทอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้เศษอาหารไปกินเนี่ยขณะที่แสดงเนี่ยก็มีพวกนางวั น, นพระรามนะถือทิฐมงคณ์ว่างงนงการเห็นจันทานนี่ถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสวยที่สุดเลยก็เลยนะพอไปเห็นเด็กจันทานเนี่ยแสดงแสดงกลอย่างเงี้ยนะ ไม่เด็ก่เป็นหนุ่มแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าวันนี้เห็นไม่ดีเห็นคนจันทร์มากลับไปเอาน้ําหอมอย่างดีล้างตาเลยล้างจมร้ายมันล้างความสวยออกไปกลับไปอันคนที่ติดตามไปเนี่ยเกลียดไอเด็กสองคนเนี่ยมากก็เลยถูกทุบตีถูกทุบตีเนี่ยก็บอบช้ำแล้วกว่าจะเติบโตมาเนี่ยก็เรียกว่าโตด้วยนมสุนัขนะเวลาแม่เนี่ยให้กินนมเสร็จก็ปล่อยให้อยู่กับลูกหมาบ้าง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 คือชาติที่เป็นจันทานออกบวช น, นะระหว่างชาติเนี่ยระลึกไม่ได้กับลูกของปุโรหิตที่ไปบวชเป็นฤาษีเนี่ยระลึกชาติได้หมดเลยระลึกได้ทั้งสี่ชาติเสร็จแล้วตอนหลังก็พระราชานี่ก็หมกมุ่นแต่ก็คี้ถึงคนที่ที่เป็นญาติกันนะสมัยที่เกิดเป็นจันทานเหมือนกันตอนหลังเนี่ยฤาษีนี่ก็มาเตือนว่ากั้นเวลาเธอเป็นกษัตริย์นะกิเลสมาณะมันเกิดจํานึกไว้เสมอว่า เมื่อก่อนเราเคยกินนมสุนัข ก, กันนะนะเคยเกิดเป็นจันทานอย่าลืมชาติกําเนิดเก่าของเรานอะนะก็ว่าแนะนําอย่าให้ลืมภูมิหลังนะว่าก่านวันนี้เนี่ยคนทั่วไปเขายกย่องว่าเป็นกษัตริย์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเป็นจันทานอางนั้นอยู่ในเมืองอุเชนีน่นอางนั้ น, น, งงนไปที่ไหนเนี่ยใครเห็นใครก็รังเกียจอั้นก็เวลากุศลมันให้ผลเนี่ยก็ขึ้นสูงเลยนะอากุศลมันให้ผลก็วัดลงมาอันศาตร์ทั้งหลายเนี่ยพออยู่ในสังสารวัตรเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดดีสูงต่ำขนาดไหนก็เป็นที่พักชั่วคราวมันไม่มีไรถาวราทักอย่างหนึ่งอั้นผลของกุศลแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมั่นคงไหมนะเง่งเง่นเต็มทีแล้วนะจากสี่ทาวารก้าเนี่ยงอนเงี้ยง่ง้งแล้วนะรอมรอรอมรอจะไปวปนไหนก็ไม่รู้